Can. Um. ที่จริงก็ขอเลยก็เลยขอชี้แจงในเรื่องของการอยู่ร่วมกันดังกล่าวด้วยและอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องการให้เราทั้งหลายได้เข้าใจในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติในหลักของสารานิยธรรมทั้ง6ประการดังกล่าวเพราะการปฏิบัติในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านี่นีที่พูดถึงในเรื่องของการ ประพฤติในเรื่องของเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและก็เมตตามโนกรรมทั้ง <Was> ต <ik S 1> <penso hob> <Halloween> ่อหน้าและรับหลังเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเหตุผลก็คือว่าในชั้นคาสอนที่พระศาสดาตรัสว่ากายกรรมที่ประพฤติทางกายนั้นเราต้องมีเมตตาต่อบุคคลรอบข้าง คือช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามที่เราจักกระทำได้แล้วก็ตั้งวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังก็คือว่าจะพูดจาสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตาแล้วก็มโนกรรมก็ทั้งต่อหน้าและรับหลังคือการคิดก็มีความรักความปรารถนาดีก็ความเอื้อาอนต่อกันและกัน ลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นเมตตากายกรรมเมตตาวาจีกรรมแล้วก็เมตตามโนกรรมทีนี้ก็คือการที่เราจะทําให้กรรมสามของเราที่ขับเคลื่อนออกไปในการที่จะอยู่ด้วยกันในการที่จะเป็นไปกับเมตตานี้เขาเรียกการปฏิบัติธรรมเนอะการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าพูดถึงในชั้นของคําว่าเมตตาเนี่ยธรรมชาติที่มีความรักความปรารถนาดีนี่นยลักษณะของเมตตาเนี่ย ให้สังเกตดูว่ากิจของเมตตาเนี่ยเขาทำลายโทสะหนกังก็คือเป็นชั้นของกุศลศีลนั่นเองเรื่องเมตตานี่ถ้าเราไปดูอีกสิ่งหนึ่งจะเห็นชัดว่าถ้าพูดเรื่องศีลท่านพูดเรื่องเจตสิกศีลในส่วนของเจตสิกศีลก็มีความมีความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาทีนี้ท่านขับเน้นเมตตานี่ขับเน้นความไม่โกรธ ไม่โกรธก็คือเป็นสภาวะของปะโทสะเจนสิกธรรมคือสภาพใจที่ไม่โกรธไม่ประทุสร้ายพอไม่โกรธไม่ประทุสร้ายก็เลยมีความเขาเรียกว่ามีลักษณะของเมตตาก็คือการประพฤติประโยชน์ในการที่จะทำให้กายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรมมันน่ะมีการเอื้อมประโยชน์ไปให้ลักษณะขเขาเป็นอย่างนั้น ถ้าเอื้อมประโยชน์ไปให้ทางกายกรรมก็คือมีการกระทําการกระทําก็มีกายวิญญัติคือการเคลื่อนไวหวทางกายทางกายธวานเนี่นะที่จะมีการผ่านออกมาในการยืนการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนเอียบดเคลื่อนไห ว, วไอ้วายวัตต่งางๆแต่ว่าการเคลื่อนนั้นปกติเราเคลื่อนอยู่แล้วเช่นหยิบของส่งให้กันก็ดีปัดกวาดเช็ดถู มีการอุปถากดูแลซึ่งกันและกันก็ดีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทำกันเป็นปกติอยู่แล้วแต่เราจะให้เมตตาเนีเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ให้เป็นไปอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญเมตตากายกรรมให้มีการจิตให้เป็นไปกับเมตตาให้ขับเน้นไปที่เมตตามีความรักปรารถนาดีเอือ้อต่อก็หยิบยื่นประโยชน์ออกไปจากทางกายทางวาจาก็คือการ เปล่ยนการกล่าวการแนะนําเป็นต้นหเหล่านี้นั้นเป็นเมตตาวจีกรรมส่วนทางใจคือการคิดดังที่ได้กล่าวเนี่ยตั้งมนโนกรรมที่เป็นเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังใจของเราต้องเปลี่ยมไปด้วยเมตตาต่อบุคคลอื่นด้วยทั้งต่อหน้าและรับหลังดังกล่าวเรามีเมตตาทางใจคิดว่าการที่เราได้มาพบรู้จักการตลอดถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามบรรเทนประโยชน์ ให้กันทั้งสองฝ่ายเมื่อได้เจริญเมตตากายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมแล้วทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วเนี่ยจึงเป็นการเจริญเมตตาอย่างแท้จริงเป็นการเจริญเมตตาของเราที่สื่อออกมาทางกายสื่อออกมาทางวาจาและก็สื่อออกมาทางใจให้บุคคลอื่นรับรู้และได้รับผลในการที่จะเจริญเมตตากับบุคคลนั้นๆไม่ใช่ เป็นแค่เพียงหลับตาอย่างเดียวนั้นเมตตาเนี่ยต้องออกมาทางกายทางวาจาด้วยเมื่อใจมีเมตตาเนี่ยางกายทางวาจาที่เคลื่อนไหวออกมานั้นน่ต้องให้มีเมตตาเป็นตัวผลักดันหรือให้เมตตาเกิดขึ้นก่อนเพราะปกติอัตยาสัยของเรานั้นเนี่ยโดยมากล้วก็เป็นไปตามความเคยชินแต่เนี้ยพอเราฝึกลักษณะอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ย ใจมันจะเป็นไปกับเมตตาก่อนเพราะธรรมชาติของใจนเป็นไปกับเมตตาทีนี้ดูกิจของเมตาก็ทำลายโทสะอาการปรากฏของเมตตาก็คือความผ่องใสของกายของวาจาของจิตใจก็เหมือนกับกษะสีนั่นเองเราดูประทัดฐานของเขาเหตุใกล้นะทำยังไงจะให้เมตตาเกิดท่านเรียกว่ามานาป่าภาวะคือการใส่ใจในมานาป่าภาวะก็หมายความบอกว่า ให้มองส่วนที่เป็นจุดดีของบุคคลอื่นได้เห็นพูดกันตามหลักปัจจุบันก็เรียกมองจุดเด่นคนหนะ้าอย่าไปมองจุดด้อยคนถ้ามองจุดด้อยแล้วมันจะทําให้ใจขาดเมตตาเพราะทุกคนเนี่ยมีจุดด้อยหมดเลยแล้วก็มีจุดเด่นหมดแต่ถ้าเราสามารถมองจุดเด่นเขาได้เมื่อไหร่ตัวเมตตาจะอาศัยจุดเด่นนั่นแหละ แล้วก็ไปกดปุดจุดด้อยของคนคนนั้นได้แล้วเราก็จะสามารถรักและก็ปรารถนาดีเอื้อทอนแล้วก็สามารถประพฤติประโยชน์กับเขาได้และการประพฤติประโยชน์ก็ไม่ได้ขับเน้นเรื่องผลที่จะตอบเพราะว่าให้สังเกต ด, ดูนะว่าธรรมชาติของเมตตาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีเมตตาแท้และเทียมใช่ไหมถ้าเมตตาเทียมเนี่ยท่านห้ามเจริญอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นตันหา ถ้าสับท่านถ้าเรียกว่าตัณหาเปรมะเนี่ยมันเต็มมันท่าที่มีความรักไม่รักปรารถนาดีไม่ใช่แต่มันอิงแหละมันอิงว่าเราได้ประโยชน์จากการที่จะเมตตาหรือจะทําสิ่งนั้นด้วยมันหวังสิ่งตอบแทนลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่เมตตาแท้แต่ถ้าเมตตาแท้เนี่ยเป็นความรักความปรารถนาดีเพื่อแหละเพื่อต้องการขัดเกลาร์โดยเองจริง ต้องการพัฒนากระแสะจิตของตนเองเนี่ยเข้าถึงสภาวะที่มีความสงบและก็ความสุขมีความเอื้ออารทรหยิบยื่นประโยชน์ออกไปให้จริงๆแม้หลับตาอยู่คนเดียวก็น้อมจิตที่เป็นใบกมีตาแผ่ให้กับนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเนี่ยให้เขามีความสุขปราศจากทุกมีใยเบิกบานเหมือนถ้าเรามาสวดว่าอะหังสุกีโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดถ้าให้ตัวเองเนี่ยเนีอหังอเวโรโหมีขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยอหังอพยาปโชโหมีขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตพยาบาทจะได้เบียดเบียนซึ่งใครๆเลยอหังอนีโคโหมีขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอหังสุขีอัตานางปริหารามีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนในพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอันนี้รูปแบบ แต่บางครั้งเมตตาไม่เดินเอาดีท่องได้หลายๆคนเนี่ยแผ่เมตตากันได้หมดเลยแต่เมตตามันไม่ไม่วิ่งออกไปอย่างยิงความคิดไปหมดนะเราจะเป็นคนที่มีความคิดเร็วมากได้มาคิดถึงตนเองและบุคคลอื่นไปแต่ความคิดแต่เมตตามันไม่ไปเขาเรียกมันแล้งน้ําใจคิดถึงคนอื่นได้แต่เมตตามันไม่วิ่งไปกับความคิดเป็นบ่อยไหมเราคิดถึงพ่อได้ถึงแม่ได้ถึงใครต่างๆได้หมดเลย เร็วมากแต่เมตตามันไม่รู้ไปไห น, มนไม่รู้มันไม่ยอมไปด้วยเช่นเข้าใจหมดคิดถึงคนนั้นก็ออกเอาคนนั้นกำลังมาคนนี้กำลังมาเนี่ยคิดเขาไปฟรีหมดเลยเนะตรงนั้นเราก็กลับย้อนมาใหม่น้อมหน่วงใส่ใจเออเนี่เขามีจุดดีตรงนี้มีจุดเด่นตรงนี้นะก็มองจุดดีจุดเด่นแบเสก็น้อมให้เขามีความสุขในเขาบทความประสบความสาเร็จในชีวิต ให้เขามีความสะดวกเนะให้เขาประสบเขาปรารถนาทรัพย์ให้เขาได้ทรัพย์เลยปรารถนาความไม่มีโรคขอให้เขาได้ความไม่มีโรคปรารถนาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้เขาสําเร็จโดยง่ายโดยพันโดยสะดวกและโดยเร็วนะเขาประกอบอาชีพการงานใดๆเขาให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตและในขณะเดียวกันเนี่ยให้เขาเดินตามทานศีลภาวนาในคําสอนของวาสดาเข้าถึงความหลุดพ้นโดยโดยเร็วโดยสะดวกด้วยทถิด มันกล้าไหมที่จะให้เขาแบบเนี้ยยกตัวอย่างสมมุตินะถ้ากําลังทํางานตีคู่กันไปอย่างเงี้ยนะสมมุติว่าชิงขั้นเงินเดือนกันเนี่ยนะอขอให้เขาประสบความสําเร็จชีวิตในชีวิตเธอะขอให้เขาได้สองขั้นหรือสามขั้นตามที่เขาปรารถนาเนะี่ยแล้วขอให้เขาแซงหน้าเราไปเธอก็คิดขนาดนั้นไหมถาม้าเมตตาจะเป็นแบบนี้ ถ้ามันถ้าเป็นตัญหานบอ ก, อกขอหน่อยได้ไหมให้เราแซงไปก่อนแล้วเขาตามหลังเงี้ยเนี่ยาลักษณะเมตตาเมตตาเทียมมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเมตตาแท้จะวิ่งเลยบอกน้อมเขาประสบความสำเร็จในชีวิตที่สุดจริงๆให้เขามีจักษุเนะของภาริยะเนะเพราะเขามีจักษุบอดมานานแล้วเหมือนเรานี่แหละหวรา ง, งั้นเธอให้เขามีจักษุของภริยะคือมียานปัญญาคือสัมมาทิฏฐิญาณ น, นะ มีความเห็นมีความเข้าใจในพระธรรมคาสอนของพระศาษษษสดาอย่างลึกซึ้งและเดินตามแนวทางทางคําสอนของพระศาษษษสดาจนสามารถเข้าถึงอนุาบาตทาบลีนิพานเข้าถึงความหลุดพ้นเข้าถึงบรมธรรมโดยอย่ามาหลงทางในสังสารวัฏอีกเลยมันเจ็บปวดวัวนั้นน้อมอย่างเงี้ยถ้าเขาบารมีมากกว่าเราเขาไปโดยเร็วเธอะอย่าติดขัดเลย แห้เขาพบเห็นทางสว่างของปัญญาแล้วเจอสิ่งที่ถูกต้องเจอครูบาอาจารย์ที่สามารถพาเขาขัดเกลาประพื่อฏิบัติเชื่อมโยงกับพระเจ้าได้ให้เขาติดเข้าเชื่อมโยงต่อพระรัฒนาใจและพัฒนาตนเองเป็นส่วนหนึ่งในสารณะแม้พัฒนาจากปุถุชนเป็นสังฆะเป็นอริยะได้เป็นอริยะชนได้เงี้ยเนี่ยน้อมไปถึงขนาดอย่างนั้นก็เลยเป็นเมตตาแท้ไหมแท้เลยแต่เราเคยให้คนอย่างนั้นไหม มีความรู้สึกว่าน้องไม่เขาได้ทะลุทะลวงขนาดนั้นไหมว่าเออเนี่ยจะมาติดขัดตีบตันในทางปัญญาเลยให้มีความเจริญรุ่งเรืองสว่างใสในญาณปัญญาเถอะให้เขาเดินตามทานศีลภาวนาเดินตามศีลสมาธิปัญญาสามารถประชุมเข้าถึงบ ร, รมธรรมโดยง่ายโดยสะดวกโดยเร็วเถอะถ้าคิดอย่างนี้สภาพของเมตตาจะเป็นแบบนี้รักและปราถนาดีาจริง ไม่ต้องสูงสุดจริงๆไม่ต้องการให้เขาวนอยู่ในสังสารวัตหรือในวัฏฏสงสารคิดได้ไหมแบบนี้ถ้าอย่างนี้สิเป็นเมตตาแท้อย่างเงี้ยถ้าไปนั่งกรรมฐานหรือจะไปเจริญกรรมฐานเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันเจริญแบบสละแล้วให้จริงๆไหมให้เขายริงแต่ที่ไหนด้ใจที่เราน้อมให้นั้นเนี่ยกลับกายมาทําเป็นไงสภาพใจของท่านผู้นั้นก็จะยกระดับขึ้นยกระดับขึ้น ไม่ใช่ยกทีนามิท้ามาขึ้นมาขึ้นไม่ใช่เลยเนะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยสภาพใจนั้นคืออย่างนี้ใจของเราท่านทั้งหลายเป็นใจที่ไม่สะอาดถ้าพูดตามหลักเรียกว่าใจโสกปกด้วยราคาสกปกด้วยโทสะด้วยโมหะเห็ไหมเราเนี่ยอาศัยความผ่องใสได้โดยการให้จิตลงสู่พวัง สังเกลียดูที่เราเนี่ยอาศัยผวังคจิตเนี่ยใครนอนพักผ่อนมากก็สีหน้าผ่องใสตื่นขึ้นมาก็สดชื่นใช่ไหมเนี่ยเราพอแต่พอพออยู่ในประเภทของชาวนาเนี่ยจิตเราจะขุนมัวมากอากุศลหรือบาปจะมาแทรกเป็นร ะ, ะระยะระยะแสดงให้เห็นชัดว่าเราเราเดินกุศลไม่ได้เอามาว า, างพระทันสนทนามาับ โยมที่ขับรถโยมโจมาก็เออให้ท่านสนนานามาก็ฟังท่านก็พูดในเรื่องของกุศลบอกเราไม่สามารถเดินกุศลได้อย่างต่อเ น, นื่องมาก็จับประเด็นนี่นจริงนี่ท่านเข้าใจเพราะถ้าเราเดินกุศลได้จริงบรรูุได้อย่างที่ได้กล่าวนี่เราเดินไม่ได้ไงเหตุผลที่เดินไม่ได้ก็เพราะมีอุปกิเลสหรือกิเลสทั้งหลายเนี่ยมาแทรกเป็นระยะระยะ เอาอย่างที่เราฟังทํากันตอนเนี้ยเยอะหมดเลยไหมกามาฉันทะความยินดีความเพลิดเพลินแทรกพยาบาทความหงุดหงิดฟุ้งซ่านก็แทรกทีนมิทะหดหูทอถอยก็มาแทรกอุทจักกุกุจกัจกฟุ้งซ่านก็มาแทรกแล้วก็วิจิกิจฉาลังเลสงสัยก็มาแท้เอาวิชาคือความมืดบอดแห่งจิตก็มาแทรกเป็นระยะระยะจิตสกปรกไหมแบบนี้ นี่โซกภพถ้าพูดถึงน้ํามันรอดก็เรียกน้ํามันที่ไม่สะอาดถ้าพูดถึงจิตก็เรียกจิตไม่สะอาดแล้วจิตไม่สะอาดอย่างนี้จะบรรลุบรมธรรมได้ไหมไม่ได้ต้องขัดต้องต้องจัดการไหมต้องขัดเกลวเอาอะไรไปขัดเกวเลว์ตอเนี้ยเมตตากายกรรมวจีกรร ม, มโมกขกรรมนี่ก็ขัดเกลาอย่างเงี้ยแล้วก็สาธราระโปคีก็นในท่านขับเน้นลงไปชั้นทานการสละ สีลสามัญยาตาท่านขับเน้นศีลทิฏฐิสามัญไรแต่ยตาท่านขับเน้นอะไรขับเน้นวิปัสนาที่จริงขับเน้นตัวตั้งแต่กรรมสกตาสมาทิฏฐิเป็นต้นไปอย่างที่เราจะเห็นชัดเลยคําสอนของภาษาสดาเห็นไหมสรุปแล้วท่านมาขับเน้นทานศีลภาวนา <laughs> ก็คือศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยนี่ยนทะ่านขับเน้นอย่างเนี้ยแต่ท่านจะให้มุมยังไงในการที่จะหัดเราแล้วเราจะเอามาใช้ยังไงเอามาเจริญยังไงอย่างที่บอกว่า ทุกคนมีความคิดแต่คิดแล้วเมตตาไม่ยอมไปด้วยทำไ ง, งไม่ไปเนี่ยคิดได้เร็วด้วยให้อ่านหนังสือก็นั่งอ่านได้เอาซิเนี่ยอ่านได้หมดเลยเนี่ยอ่านเนี่ยทำความเข้าใจได้ท่องก็ได้อิติปิโสภะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาแล้วเห็นคุณของภาษาสระไหมไม่ออกอีเห็นไหมเนี่ย แต่ทำไมสมัยก่อนเขาสาธยายแล้วเขาได้อะทำไมเขาได้แทงตลอดสัจจะกันอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยไม่ใช่แค่สาธยายแน่นอนเหตุแท่งการบรรลุหา้าใช่ั้ยในวิมุตรายตนาฟังธรรมจากพูพุทธเจ้าและสาวกของพระเจ้าบรรลุได้ สองแสดงธรรมในขณะกำลังแสดงไปผู้แสดงบรรลุได้สามไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่ได้จากพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้แสดงแต่ว่าเรียนมาศึกษามาเข้าใจกลุ่มนี้คือสาธยายในขณะที่สาธยาย น, นั้นบรรลุเนี้ยกลุ่มที่สี่ไม่ได้ไม่ได้ฟังจากพุทธเจ้าและสาวก ไม่ได้แสดงธรรมไม่ได้สาธยายแต่ศึกษามาอย่างดีเบ็ดเสร็จแล้วเอามาตรึกจำมาทรงจำมาทั้งอัฏฐานและเวียนเอามาตรึกตามตรองถามบรรลุเลยเนี้กลุ่มที่สี่ก็คือว่าเรียนอรมาฐานศึกษาแล้วก็เดินอัฏาฐานไข้กลอนบรรลุห้าอย่างแต่ทุกวันนี้เหลืออยู่อย่างเอาเอาไปนั่งหลับตาหลับก็ผิดอีกเลยนี่ไปอีกเลยเนี่ย ข้อมูลกรรมฐานไม่ชัดไม่แข็งแรงอีกเลยไม่ได้เห็นกันบรรลุไหมใ น, ในคำสอนนะบอกว่ามีมือตายาตะนาเห็นเกียดเกียรตงการหลุดพ้นมีเยอะหมดเลยในคำสอนนะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปไปกันไม่เว็นนะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าน้อมให้เราทั้งหลายได้ไดเข้าใจว่า สภาพของเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนโกรรมต่างๆเหล่าเนี่ยนะที่บอกว่าเราจเจริญกันไม่ได้เพราะจิตเราไม่ได้ขัดเกลังได้เกลางตรงนี้ก็ส่วนลาภาคือปัจจัยที่ได้รับมาเป็นต้ น, นนะนะที่เกิดโดยธรรมนะลาบที่เกิดโดยก็โดยถ้าพระก็บินบาบดโดยชอบทมเว้นจากมิฉาชีพเนะีการหลอกลวงเป็นต้นอะไรเนี้ย อย่างต่ำที่สุดแม้เพียงพิกษาที่นับเนื่องในบาตรหมายความว่าย่างต่ำสุดแม้เพียงอาหารนะสองหนึ่งท่าพี2ทาพีที่นับเนื่องในบาตรที่มีอยู่ภายในบาตรของทพระนี่นผู้บริโภคไม่แบ่งแยกก็คือบุคคลที่บริโภคโดยไม่แบ่งทานและผู้รับทานเนี่ยแบ่งก็คือแบ่งโดยอา m i t ก็แบ่งโดยบุคคลนะถ้าแบ่งโดยอา m i ก็คือว่าการคิดแบ่งบอกว่าเราจให้เพียงเท่านี้จักไม่ให้เพียงเท่านี้ แบ่งได้บุคคลก็แบ่งว่าเราจะให้แก่คนโน้นจกไม่ให้แก่คนนี้เป็นต้นบุคคลใดบริโภคไม่แบ่งทั้งสองอย่างบุคคลนั้นนะ่ะชื่อว่าอัปปติวิพัตตะโภคีผู้บริโภคไม่แบ่งฉะนั้นจึงกล่าวว่าเนวะอามิสังปฏิวิพัชิตตวาพุทติก็บอกไม่บริโภคนะไม่บริโภคแบ่งอามิสเป็นต้นตรงนี้ก็คือบอกว่าก็าหมายความ่จริงๆคนนี้ถ้าหากเราพูดถึงขับเน้น พระเพศอย่างสูงเลยเนะท่านบอกว่าคนที่จะบำเพ็ญสารานิยจะทำในข้อนี้ท่านได้หารมาท่านวางเลยขาอละครั้งด้วยเชิญท่านทั้งหลายไม่หยิบเอาไปได้ไม่หยิบเอาเลยในบาทนี่ที่ได้มาทั้งหมดนี่แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะชื่นใจหยิบไปหมดบาทยิ่งชื่นใจอันนี้หมายถึงระดับสูงเขาที่เขาทำถ้าใครทาได้ติดต่อกันสิบสองปีเนี่เนะี่ย ไปบินทบาทกับต้นไม้ก็ได้เนี่ยนึงเดี๋ยวเทวดาก็ร้อนหลนทนไม่ไหวเงี้ยนึงแล้วก็แล้วเดี๋ยวหาอาหารให้จนได้แต่ยยาทาได้ไหมละ่ะทุกวันเลยนะต้องทําทุกวันนะแต่เขาหยิบไปทุกวันทุกวันไม่มีอาหารก็ต้องโอ่ยาอดเงี้ยนะไม่ทำโทสะหรือทําน้อยเนื้อต่ําใจใเกิดขึ้นเหมือนน่าจะแบ่งไว้สักก้อนก็นยังดีนี่ไม่มีเลยเนี่ยนะไม่มีคิดขนาดนั้นเลยการแบ่งเนี่ยอันนี้แปลว่าทําระดับสูงถ้าพระบางองค์ท่านก็ทําใช่นะม และโดยมากพระส่วถ้าที่ท่านเข้าใจคาสอนนั้นก็จะพยายามทำตัวนี้ถ้าอย่างเราก็สมมติได้อาหารวาเบบวางเอาเชิญท่านทั้งหลายหยิบนี่ไหวไหมก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าทำได้เนี่ยใช่ไหมทำได้เนี่ยกุศลรทรานก็แข็งแรงอย่างนี้เป็นต้นถ้าทำได้เนี่ยนะตรงนี้ท่านบอกว่าให้แก่ใครถ้าจะให้เนี่ยเนะยให้แก่ภิกษุผู้มีศีล และผู้ทูตศีลทั้งหมดนี่ท่านไม่เลือกภิกษุผู้บำเพ็ญสารานิยธรรมเป็นผู้บริโภคไม่แบ่งแยกส่วนการให้จอะ จ, จงแก่ภิกษุผู้เป็นไขเป็นต้นอยู่ในการอยู่ในฝ่ายการไม่แบ่งแยกเหมือนกันเพราะมิได้ปฏิเสธว่าเราจะไม่ให้บุคคลโน้นเนื่องจากการแบ่งแยกมีความตรงกันข้ามเป็นหลักสําคัญฉะนั้นเขาบอกว่าเลือกให้แก่ภิกษุผู้อาพาธผู้พยาบาลภิกษุไขผู้จรมาผู้เตรียมที่จะเดินทาง หรือบุคลบคลผู้ค้นขวายในการเย็บจีวรเป็นต้นก็ควรเนนั่นอันนั้น เ, เรียกสาธารณโภคีผู้บริโภคทั่วไปมีลักษณะของผู้บริโภคโดยทั่วไปทั้งที่ได้ ก, กล่าวอนนันอาหารที่ปลาณีตดอะไรต่างนั้นในรายละเอียดต่างๆมาจะไม่ตามไปไปขับเน้นนะแต่เพียงแต่บอกว่าตรงนี้ท่านขับเน้นอะไรในการสละดังกล่าวนี่ย้อนกลับมานิดนึงถามว่าพอเรามองว่าวัตถุภายนอกทั้งหมดเป็นวัตถุฐานได้หมดแล้ว และทุกวันนี้เราสามารถมองอะไรเป็นสิ่งที่ควรให้ได้หมดหรื อ, อยังถ้ายังแปลว่าวัตถุทานยังไม่ไม่ดีถ้าเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นของที่ควรให้แต่แต่ละบุคคลแต่ละบุคคลเราก็น้อมที่จะสละน้อมที่จะสละได้จริงๆนเนี่ยนะอันนี้แปลว่าหนึ่งเจตนาทานคือจิตคิดจะให้ก็แข็งแรงอโลพาทานการไม่ยึดติดในสิ่งของก็แข็งแรง และตัวกุศลที่เกิดขึ้นก็เป็นไปกับสมนัตด้วยเป็นไปกับยานะสัมบ ย, ยุ์คือมีปัญญาประกอบด้วยแล้วก็เป็นอาสังขาริกคือไม่ต้องอาศัยปัจจัยมาคอยเกื้อนหนุนในการชักชวนเป็นต้นด้วยถ้าอย่างนี้จะแข็งแรงชัดเจนไหมก็ชัดเจนเรียกพอมูลแก่เจตนากุศลที่เกิดขึ้นพอหนึ่งท่านขับเน้นตัววัตถุใช่ไหมเออหนึ่งขับเน้นตัวเจตนาใช่ไหม เจตนาก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้เจตนานี้แข็งแรงแล้วประการที่สองก็คือเน้นตัวโอโลภาคือความเออประการที่สองมันขับเน้นตัววัตถุตัววัตถุวัตถุนี่แยกเป็นรูปเป็นแยกเป็นอาหารได้ไม่ได้ที่อยู่เครื่องนุ่งหม่มแล้ก็ยาสี่อย่างนี่นะถ้าในยาของ ท่านในยาของพระสูตรท่านแยกเป็นสิบท่านแยกเป็นสิบอย่างท่านแยกเป็นในลักษณะของเรื่องทานนี่เนะียอันนางปานางครังวัดถังมาลาสะสยานางวิเลปนังเนะี่ยคันโทสยยาปฏีเป ย, ยังทานวัตถุสี่ยุงทะะ่าสักสิบอย่างแยกยังไงเออข้าวอันนางเนะี่ยข้าว ถ้าปานังก็น้ำกระรางก็ที่อยู่อาศัยวัดถังก็เครื่องนุ่งหม่มมาราก็ดอกไม้ยานังก็ยานผ่านนะวิเรย์ปานังก็ยานผ่านนะคันโทก็ของหอมนะวิเรย์ปานังนี่เครื่องรูปร้ายคันโทของหอมแล้วก็ ใชยาเครื่องนอนแล้วก็ปฏีเปย์ยางก็เครื่องให้แสงสว่างปทีนั่นเองทานวัตถุเนี่ยนี่ทานวัตถุเนี่ยมีอยู่สิบประการเนี่ยก็คือให้ข้าวให้น้ําที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งหอมดอกไม้ยานภาณะเครื่องรูปร้ายของหอมเครื่องนอนและเครื่องให้แสงสว่างเอาแยกได้ไหมทานนี้แยกได้ไหมถ้าเราจะคิดให้เป็นปัญญากุศลด้วยเป็นวิจัยยาทานนางด้วย ให้ข้าวใครเคยตักอาหารถวายพระไหมเคยให้ข้าวเป็นทานไหมให้ข้าวเนี่ยปารอบอะไรสีได้ไหมสีของข้าวได้ไหมข้าวมีสีอะไรบางคนนี้บางครั้งก็ไม่ใช่สีขาวใช่ไหมสีแดงก็ได้แสดงว่าปลารอบสีก็ได้ใช่ไหมเป็นรูปประธานนังได้ไหมให้รูปเป็นทานเสียงมีไหมได้ไหมปารอบเสียงได้ไหม ทานอาหารไปแล้วจะมีเสียงในการสาธยายพระธรรมได้ไหมน้อมอย่างนี้ได้ไหมใเ่ไหมเป็นสัตว์ท่าทานังได้อีกคันทาข้าวมีกลินไหมไหมน้อมกลิ่นอีกน้อมกลิ่นให้เป็นทานตกุศลรสมีรสไหมใชไมน้อมรสก็อีกโพธภิภะทานแล้วนุ่มไม่แข็ง ธรรมะตัวโอชาที่จะไปหล่อเลี้ยงกระแสขันของท่านเนะ่ะเห็นหั้มสรุปแล้วข้าวหนึ่งเม็ดน้อมได้เป็นทานวัตถุเท่าไหร่หกอย่างรูปปทานังสัทธานังคันธานังระสะทานังโพธภ า, านังธรรมานังยังไงน้อมเนี้ยเห็นไหย เข้าใจคําว่าวิจัยยะทานังอย่างเนี่ยการที่เราไม่ได้วิจัยอย่างเนี้ยการบรรลุธรรมยังไม่ค่อยเกิดเข้าใจอย่างการเข้าถึงคําสอนถึงไม่ชัดแล้วเอาใครเคยเคยวิจัยขนาดนี้บ้างต้องวิจัยไหมพระเจ้าบอกว่าอะไรวิจัยยะทานังวิจัยวัตถุทานด้วยวิจัยทั้งที่ได้มาด้วยใช่ไหมอันนี้เอาข้าวอย่างเดียวก่อนเนี่ยนะ ได้มาบริสุทธิ์หมดจดหรือไม่อย่างเป็นต้นแล้วก็วิจัยให้เป็นตอนนี้เราจะเอาอะไรเป็นประธานเนี่ยพออันนังพอข้าวเนี่ยนะข้าวเนี่ยเอารูปเป็นฐานได้ไหมเอาเสียงเป็นฐานได้ไหมหรือเอารูปเป็นประธานไ ด, ไ, ได้ไหมได้ไม่ได้เมื่อเอารูปเอาเอาสีเอาวันณะเอาสีของข้าวเป็นประธานเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมารวมก็เป็นบริวารไป น้อมอย่างนี้ว่าน้อมเอาอะไรเป็นประธานเนี่ยน้อมอย่างเนี้ยอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลาไหมโอ้โหแตนี้ไดไ ด, ได้บุญเยอะไหมต้องไปนั่งวิจัยไหมแตนี้ไม่ใช่บรรลุแบบทื่อๆแต่บรรลุแบบการวิจัยจริงๆในคำสอนของพระศาสด า, ศ า, ศา ถึงยากต่อศาสนาบุคคลที่นับถือศาสนาอื่นที่จะไม่นัถึงมามาเข้าถึงไงอันนี้เอาพูดเราเนี่ยนะถ้าเรานั่งวิจัยอย่างนี้จิตเราจะสงบไหมแล้วถ้าทีน้มิทักเกิดขึ้นจะทำไงจิตมันหดหู่มันท้อถอยอ่ะมันซึมมันงอยเหงาทำไงจะทำไงดีโอ้โอ้มนทนไม่ไหวแล้วทาไงฮะพระเจ้าบอกว่าไง ขุนเจ้าบอกว่าคนที่เกิดราค้าไม่เคารพภรรธาตนาใจคนที่มีโทสะเกิดขึ้นในขนาดนั้นก็ไม่เคารพภรรธาตนาใจคนที่เกิดโมหะก็ไม่เคารพภรรธาตนาัยคนที่ถีนมิท้าเกิดขึ้นก็ไม่เคารพภรรธาตนาใจอุ้มไม่เอาแล้วใช่ไหมบอกไม่เอาแล้วแล้วเป็นเหตุไม่บรรลุด้วยนะเป็นเหตุไม่บรรลุด้วยเนยเราก็เราจะกล้าทําไห้ตอนนี้ ไม่มารู้พรไม่เคารพพระธรรมอะเมื่อไม่เคารพพระธรรมเชื่อวไม่เคารพพระเจ้าโอ้โหทำบ้าขูแล้วว่าไม่ใช่เลยนะไปดูในไหนเอาไปดูในไหนอ่ะไปดูในสัตตการนิบาตหมวดเจ็ดนี่อังคุตระนิกายสัตตการนิบาตไปดูเลยคาวะธรรมหกประการแล้วก็อักคลรวะธรรมไม่ พุทธคาลวตาธรรมคาลาวต า, า, า, า, วตาสังคาร า, าวตาสิกขาคาลาวตาสมาธิคาลาวตาอัปมาทคาลาวตาปฏิสันถาคาลาวตาหกนะเคารพเจ็ประการเนี่ยเป็นเหตุหการบ์ร่วหมดเลยอันนี้รายละเอียดเยอะไงฉะนั้นยกตัวอย่างก่อนว่าไม่เคารพพระธรรมเคารพไงเป็นไงบอกว่าในขณะที่ฟังธรรมศึกษาธรรมให้ถี่น้ำมิถะเข้าครอบน้ำชื่อว่าไม่เคารพพระธรรม ไม่เป็นไปเพื่อการเบื่อหน่ายใครกําหนัดไม่เป็นการเพื่อการรู้แจ้งบรรลุและไม่เป็นไปเพื่อการตัดสรู้ด้วยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราขาดององข้อมูลตรงนี้ไงเวล า, าศึกษาคําสอนก็หรือว่าฟังธรรมเนี่ยในสมัยครังพุทธการเนี่ยมีไม่พระนั่งฟังธรรมสะประกบกันเนี่ยไม่มีก็ตื่นเต้นฟัง เ, เขาตื่นเต้นกันหมดเลยนะพอมีการเคาะละครั้งว่าจะฟังธรรมเนี่ยเขาบอกขอจองข้างหน้าขอจองข้างหน้ากันมปแถวหมด มายกนี้เป็นไงบอกขอนั่งหลังเนื้อจะได้หลบออกได้มันโคนลมุมเลยใช่ไหมเนี่ยฉะนั้นไทยอย่างนี้เราจะเริ่มมองเริ่มเห็นว่าโอ้ยกระแสะจิตของคนยุคก่อนแข็งกล้าปรารถนาการบรรลุเขาตั้งหลักเว้นดีมากอย่างเงี้ยเนี่ยเขาตั้งหลังเขาดีมากตรง น, นี้นี้ถ้าต่อไปี่ก็จะฝึกให้ให้ให้แยกทานกนะุศลแบบนี้ นั้นพอฝึกในลักษณะอย่างนี้มันมันจะเริ่มการวิจัยได้และเราสมมุตินะว่าถ้าเราอย่างนี้มีผ้าหนึ่งผืนถ้าผ้าหนึ่งผืนเป็นผ้าสีทองพองอภัยเนี่ยนะงามมากพอปารลบเสร็จว่าปารลบสีของผ้าผ้านี้มีสีประดุดังทอง เราจะน้อมพระวรากายของพระบรมศาสดาก็สีเปล่งปังดังทองเราจะนําผ้าผืนนี้ไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเริ่มน้อมเห็นเจดีเห็นต้นพระสีมาโพธิ์ไปแล้วตัวนี้ยอันนี้เป็นทานไหมนี่ไงเกิดขึ้นมาแล้วนี่ทานกุศลเกิดขึ้นมาอย่างเนี้ยฉะนั้นการที่เราน้อมผ้าสีทองผ่องอัมภัยเพื่อจะไปห่ม ภาษาสดาโดยการปารลบสีปารลบสีวันนะนั่นแหละเป็นประธานปารลบเสียงได้ด้วยไหมผ้าเวลาไปไปห่มเนี่ยมีลมพัดมีเสียงดังไหมมีเสียงนะกลิ่นได้ไหมมีกลิ่นหอมฉีดน้าหอมได้ไหมรสชปารลบรส ถ, ถ้าจีวรเนี่ยถ้าถวายพระในปารลบรสได้เนะบรสไงอ่ะ สมมติมีเอาทีนี้จีวรดีกว่าได้จีวรไม่ใช่สมมติแล้วเรื่องจริงถวายจีวรไปสักครู่เนี่ยถามหน่อยผู้ที่เป็นเจ้าของถวายจีวรเนี่ยปารลสีเป็นประธานหรือเสียงเป็นประธานหรือกลิ่นเป็นประธานหรือร้เป็นประธานหรือโพธิภาพเป็นประธานหรือธรรมารมเป็นประธานอ่แต่นี่นะนี่ของจริงเลยนะเนี่ยนะ พึ่งพึ่งถวายว้ห ย, ย, ยกเนี่ยผ้าจีวอนเป็นตัวนี้ไหมสีอะไรเป็นสีกรักใช่ไหมมาลืมสังเกตไว้นิดนีด้ น, น, นแล้วปาลารบอะไรเป็นประธานเมื่อกี้ผู้ที่เป็นเจ้าของปาลารบอะไรอันนี้แสดงไม่ได้ปาลารบอะไร ปาลบแบบยังไม่ได้ข้อมูลตรงนั้นก่อนใช่ไทีนี้ถ้าได้ข้อมูลเนี่ยเขาจะเริ่มว่าอ้จีวรเนี่ยตอนนี้อะไรเป็นประธานที่เด่นในใจเราเนใช่มบางคนก็เน้นว่าเน้นว่าผ้านเนี้ยจะให้ความอบอุ่นต่อสริลัของพระทั้งหลายก็ปาลบโพสะพะเป็นประธานไงนะสีเสียงกลิ่นรสแล้วก็ทำอารมณ์ก็เป็นบริวารของโพสภะไป เนี่ยเริ่มแล้วนี่การวิจัยอย่างเงี้ยนี่ไงชั้นของชั้นกองกุศลเกิดขึ้นอันนี้เป็นญาณสามยุทธไหมแต่วิจัยอย่างเงี้ยประกอบด้วยปัญญาไหมอย่างนี้ต่างหากที่จะประกอบด้วยปัญญาเป็นวิจัยยะทานังถ้าใหม่ใม่ฟังข้อมูลนี่เป็นอาสังขาริกแต่พอแข็งแรงไปเป็นอาศังได้ไหมเป็นอาศังขาริกได้อ่าพอพิจารณาไปแล้วนี่โสมนัสเกิดได้ไหม พอพิจารณาแล้วรู้สึกเฉยๆเป็นเวขาเห็นไหมเนี่ยแต่ท่านเราจะขับเน้นให้เป็นโสมนัสอย่างไรทั้งก่อนทำทั้งขณะทำหลังทำเห็นไหมเนี่ยนี่ข้อมูลอย่างเนี้เนี่อยนี้ไงกุโศลจิตมันเดินแบบนี้นี่แหละที่จะเป็นไปเพื่อการละละโลภะนี่แหะจะเป็นไปเพื่อทําสัตทินสีให้แข็งแรงเพราะศรัทธาแข็งแรงศรัทธาอย่างนี้ ศรัทธาที่มีปัญญานาอย่างนี้ศรัทธาจะตั้งมั่นไหมในขณะที่เพียรที่ทําให้กุศลเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีปมัญญานําอย่างเนี้ความเพียรที่มีปัญญานําอย่างเนี้ยความเพียรจะจะตั้งมั่นไหมวิริยะที่มีสัตว์มีปมัญญานํานั้นวิริยะนั้นเน่ยจะตั้งมัน่นสติที่ระลึกตามระลึกได้ระลึกได้ตามลึกได้อย่างต่อเนื่องถ้ามีปัญญานําหน้าจะแข็งแรงไหมตั้งมั่นแข็งแรงสมาธิ จิตเป็นสมาธิไหมมีปัญญานำก็แข็งแรงมันเป็นอย่างนี้จะเร็วไปไหมสำหรับคนที่วิจัยช้าๆอันนี้นี่ฝึกได้สักหนึ่งตัวอย่างสมมติไป น, นั่งหลับตาแล้วตรึกได้ไหมตอนนี้ค่คยรได้ไหมเป็นจาคานุสีไหมเป็นเลยเนี่ยแล้วจิตจะเปิดปลาโมทได้ไหมตรึกมากๆขึ้นเป็นปีติเป็นปสัสสธิเป็นความสุข เป็นสมาธิเป็นปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้ววิบัตนาเดินอย่างเดินแล้วอาศัยอะไรทานนี่ไงแล้วเคยเดินแบบนี้ไหมล่ะนี่ไงปฏิบัติ <c oughs> เมื่อกสอนปฏิบัติไง <c oughs> ใช่ไหมมันต้องมีต้องมีสิ่งของจริงๆรใช่ไหมที่สละใช่ไหมแล้วน้อมได้อ่ะเนี่ยปฏิบัติเดินแบบนี้ แล้วข้อมูลจะไหลมาเต็มหมดไหมแล้วถามว่าคาว่ากุศลที่มันจะเกิดขึ้นในการประหารกิเลสมันเกิดมาแบบทื่อๆได้ไหมไม่ได้เลยมันจะต้องมาทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็วิจัยขาดลงเรือแล้วก็ละเป็นระยะระยะเระะือเป็นแต่ทางกาประหา ร, ร, หารไปเรื่อยๆจนจะถึงสามารถเป็นวิขัมพนะแล้วทะลุทะลวงเป็นสมุเฉทะประหารได้ ละไดเด็ดขาดได้นเป็นอย่างนี้เอาถ้าคิดไม่เป็นจะลําบากใจไหมแต่นี้แต่มันต้องเป็นใช่ไหมเพราะเราอันนี้เรื่องนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมใช่แต่ น, นี้เพียงพูดเพียงหนึ่งตัวอย่างนะแต่ว่าข้อมูลองค์รวมต่างๆนั้นต้องพยายามใส่สิ่งแวดล้อมไปแล้วว่าเอาไปเจริญในด้านของกรรมาฐานถ้าใครเจริญจากคานุสติไม่เป็นเนี่ยถือว่ายุ่งแล้วนะ ให้กันมาทั้งชีวิตเนี่ยจเจริญไม่เป็นเนี่ยยุ่งแล้วยุ่งไม่ยุงย่งยุงย่งเลยแล้วจะทำยังไงแต่เนี้ยเนี่ยกรรมฐานนี้ภาษาสดาทรงสอนไหมทรงสอนก็ไปสอนอยู่ในไหนอยู่ในเอกนิบาตอังคุตแตระนิกายเอกนิบาตเอาสิแต่เนี้ยถ้าฉบับหมามังกุดก็เล่มไหนเล่มที่สามสิบสออย่งงงางเงี้ยนะ อันก็ไปตรวจดูอันนี้กล่าวตามคำสอนไงเนะนื้เนี้ยนี้หลักหลักตรงนี้ต้องมีไงเหมือนจะเดินทางกับกรุงเทพเนี่ยถ้าไม่มีแผนที่ก็หลงอยู่เนี่ย แ, แล้วห้ามถามใครด้วยแล้วไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยนะวิ่งวนอยู่นี่แหละไปใหญ่เลยตอนนี้อาจจะฟุกได้ อาจจะพูกได้ประจำกทกรุงเทวก็จะวิ่งตามนี้แหละคงไม่กลับบ้านเกิดเอาเกิดเข้าไปโน้นหนึ่งมาเกิดเขาเห็นไหมเกิดเขาไม่กลับกรุงเทวไปทําไงเราจำบอกกทกุงเทวเนี่ยตามเขาเนี่ยบอกเอ้ยนี่ยท่านใส่ผ้าเหลืองแล้วตามน่อยตามไปเถอะยุ่งเลยท่านก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ยุ่งเนี่ยนะถึงบอกไม่ได้เลยข้อมูลต้องมีข้อมูลต้องมีจริงๆ ฉะนั้นการปฏิบัติในคำสอนของพระศ า, าสดาไม่ใช่ปฏิบัติบนบนบ น, บนการไล้ข้อมูลเพราะพระพุทธเจ้าจะต้องบอกวิธีการบอกหลักการไปเสร็จแล้วก็ปฏิบัติทีนี่คือคือถ้าเราปาลบสีทีนี้ถ้าสมมุตินะถ้าถามลงไปยิ่งยิ่งลำบากเลยนะเช่นกายกรรมที่เป็นทานกุศลอย่างไง ว่าจีกรรมที่เป็นทานกุศลอย่างไรมโนกรรมที่เป็นทานกุศลอย่างไรยิ่งโหตดิดขัดขัดเครื่องกันใหญ่เลยเดีย๋ยวนี้นี่เนี่ยเอามาพยายามไม่ตามลงไปในเด้อพระท่านช่วยพยายามกระแสการปฏิบัติของเราให้มันโผล่ขึ้นมาจริงๆเนะี่ยแล้วมันจะได้ออกมาเป็นหลักปฏิบัติได้จริงๆด้วยคือต้องการอย่างนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยโอหปฏิบัติได้พอยกยกทานนะ ยกของที่เป็นทานขึ้นมานั่งวิจัยแล้วตื่นเต้นได้เลยเห็นแล้วปลาโมดปีติประสะทัทธิความสุขอันนี้เอามายกตัวยอย่างนี่นะว่าคติการละที่ว่าเป็นเป็นพ้านาคาที่ท่านเป็นอุบาสกอุปถาพระพุทธเจ้า รพรัสสปะสมาสมุติเจ้าหรื่องนี้ยเนี่ยมารู้สึกอจะถ้าไม่จาตรงนี้ก็เนี่ยถ้าเราดูตรงเนี้ยจากการที่ท่านที่พระศ า, าสดารับทานของท่านเนปิติเกิดท่านครั้งแรกเกิดเจ็ดวันเนี่ยนะครั้งที่สองครั้งที่สองเกิดสิบห้าครั้งที่สามเกิดอยู่เดือนเนี่ยนสมสมุติเนี่ยนะ น่าทำทำได้ยังไงเกิดได้ทั้งเดือนไงของเราเนี่ยีน้ำมิทาเกิดตลอดวันนี้ ไ, ได้ใช่ไหมได้ไหมอย่างนี้ได้ฉะนั้นสิ่งต่างๆตรงเนี้ต้องต้องมองให้เห็นว่าที่ท่านสามารถเดินได้อย่างนี้จากแม้ทา น, นากุศลเนี่ยเพราะว่าท่านไข้ควรค่อนข้างอย่างต่อเนื่องได้แล้วท่านวิจัยได้ฉะนั้นการการที่ท่านวิจัยเป็นนี่แหละเลยกลายเป็นเหตุแห่งการการปฏิบัติได้นะ นี้ยกตัวอย่างอย่างนี้เดี๋ยวสรุปตรงนี้ก็คือว่านี่ต้องการให้เราได้ขับเน้นในเรื่องของจาคะให้เป็นจาคะเพราะว่าแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่ า, าศีลอาสามัญญาตาตี้สาคัญมากเราสมาทานศีลไปแล้วเนะื้อขอขอสรุปประเด็นศีลหนึ่งก็คือว่าต่อไปก็คงจะพูดกันในเรื่องชั้นเหล่านี้เพราะว่าตอนเนี้ย หลายๆท่านอาจจะยังไม่เห็นคุณประโยชน์ของศีลเท่าไหร่และทานก็เป็นกรรมฐานได้ศีลก็เป็นกรรมฐานได้เนี่ยเป็นกรรมฐานได้หมดเลยแต่เพียงว่าตอนนี้ยังเดินไม่ค่อยแข็งแรงเพราะการที่องค์มีการความเข้าใจในชั้นของศีลเห็นไหมถ้าหากว่าเราเข้าใจในในลักษณะการเอามาไข่ควรเอามาวิจัยนี่ก็จะเริ่มเริ่มเห็นคุณมากขึ้นแต่ศีลเนี่ยถ้าเราดูพระาศาสดาเนี่ยท่านบอกว่า รักษาศีลของท่านเนี่ยท่านจะรักษาศีลค่อนข้างที่ชัดเจนมากท่านบอกว่าถ้าเรามองเทียบอย่างนี้นะว่าศีลกับลาบสกาละศีลกับสิ่งของต่างๆกับวัตถุภายนอกทั้งหลายศีลกับญาติระหว่างศีลกับญาติ ระหว่างศีลกับอวัยวะระหว่างศีลกับชีวิตถามบอกว่าโดยส่วนใหญ่คนที่รักษาศีลกันก็จะมีที่สุดบางคนก็แค่เนี่ยปัจจัยเงินทองทั้งหลายก็ทําลายศีลได้แล้วบางคนก็ญาติเนี่ยญาต์แคยาตจะสูญเสียใดๆต่าง ๆ, ๆก็กลัวศีลตนเองไม่ไม่เอาศีลแล้วเอาญาติด้วยก่อนบางคนก็ ถ้าอวัยวะจะมีการขาดถูกตัดถูกนั่นไปมึงไม่ได้เอาศีลไว้ก่อนบางคนก็ชีวิตใช่ไหมการรักษาศีลที่มีที่สุดอันนี้ไม่ไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายเป็นต้นเห็นไหมไม่เขาเรียกมีที่สุดอยู่ยังไม่ถือว่าไม่แข็งแรง ฉะนั้นการรักษาศีลเนี่ยถ้าใครเข้าใจศีลได้ชัดเจนแล้วเนยียกตัวอย่างอย่างนี้ว่าศีลเนี่ยเป็นสุดจิริตกรรมเราสวดกันต่อไปจะมีบทคาว่ากรร ม, มะสะกาสตาเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของเนเราจะท่องกันอย่างนั้นแต่ในชั้นของความหมายของอัฏฐะตรงนี้ท่านหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายมีสุดจริตกรรมและทุจริตรกรรมนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติของตน เงินทองรัตนาชาติแก้วแหวนเงินทองต่างๆเกียรติยศชื่อเสียงอันนี้ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่ถาวรใดๆเลยไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่ถาวรใดๆเลยมันเกี่ยวข้องกับเราที่ยังมีลมหายใจอยู่เท่านั้นแต่ถ้าลมหายใจขาดเงินทองรัตนาชาติแก้วแหวนต่างๆไม่ใช่ของเราด้วยแม้บางคนยังมีลมหายใจอยู่ ทั้งๆ ท, ที่เหมือนเป็นของเราแต่มไม่ใช่ไปแล้วถูกโกงถูกแย่งถูกชิงอะไรก็เยอะเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปเข้าใจว่าเราไปเข้าใจว่าเงินทองรัตนชาติเป็นของของเราไปเข้าใจว่าญาติมิตรทั้งหลายเป็นของเราเป็นต้นเหล่าเนี้ยแท้ที่จริงสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ของเรามันแค่ว่าของชั่วคราวแต่สุจริตกรรมคือกุศลศีล ทุจริญกรรมคือความไม่มีศีลทั้งบุญและบาปเหล่านี้ยสุดเจริญกรรมและโทจริญกรรมเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของสัตว์ทั้งหลายตลอดกาลนานมันติดตามกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไปได้ทุกพบใช่ไหมเนี่ยถ้าเราเข้าใจมุมนี้เมื่อไหรน่นะเราจะเห็นคุณค่าของกุศลศีลพราะเมื่อกุศลศีลเนี่ยเรารักษาได้ค่อนข้างดีแข็งแรงเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย เขาจะคอยส่งเสริมกระแสชีวิตของเราไม่ให้ตกต่ําเพราะศีลเนี่ยให้สังเกตลักษณะของศีลที่เขาบอกว่าสมาทานังกับอุปาทารนังเนี่ยนะทํากายกรรมวจีกรรมไม่ให้เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายแล้วก็ไม่ให้ซ่านไปเพราะความทุศีลแล้วก็อุปาทารนังนั้นศัพ์นั้นเนี่ยหมายความว่าทรงไว้เป็นสภาวะที่ทรงหรือรองรับไว้ซึ่งกุศลธรรมเบื้องสูง สทาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีกุศลศีลอย่างเงี้ยแล้วการบรรลุธรรมจะมีไม่ได้เลยถ้ากุศลศีลไม่มีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะเริ่มเห็นชัดแล้วเพราะศีลเนี่ยเขาจะทำลายความทุศีลลักษณะของเขาจะเป็นอย่างนั้นอาการปรากฏผลปรากฏของศีลก็คือกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดอย่างเงี้ยจะเห็นชัดเจนขึ้น เราจะมองเห็นในชั้นของตัวกุศลศีลได้ชัดขึ้นว่าศีลสําคัญมากถ้าเรามองงนี้นะเราจะเห็นอีกเยอะและ้วศีลแต่ละข้อจะมีคุณสมบัติอีกเยอะเช่นงดเว้นจากการฆ่าจากการลักจากการประพฤติผิดในการเป็นต้นจะมีอานิสงส์กํากับไว้ทุกข้อจะมีโทษของการละเมิดทุกข้อเลยถ้าเราเห็นอานิสงส์ของการรักษาศีลเมื่อไหร่นะ เห็นโทษของการไม่มีศีลเมื่อไหร่นะไม่มีเลยสัตว์เหล่านั้นจะไม่รักษาศีลเพราะมันเป็นความสําคัญของกระแสะชีวิตของเขาที่เขาจะได้ดีตกยากนะที่มันสืบต่อไปภายข้างหน้าเนี่ยเขาจะเจ็บปวดเองเพราะการไม่มีศีลและเขาจะกระแสะชีวิตของเขาจะค่อนข้างที่จะบริบูรณ์เองเพราะการมีศีลเป็นตัวเกื้อนหนุนและที่สุดจริงๆก็ จ, จะทําให้ถึงวัตถุทุกเป็นต้นได้ ก็จะเห็นคุณของศีลอย่างอย่างมากมายเลยนี่เป็นอย่างนี้ตรงเนี้ยก็พยายามจะให้เราได้เข้าใจและเอาตัวกุศลศีลมาเจริญมาขับเน้นแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นที่ตอนนี้สรุปก็คือว่าให้เราเห็นทั้งหมดที่มีสิ่งเหล่านี้ได้คือพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระบรมศาสดาสา ม, มาสามัมพุทธเจ้าเสียเราจะไม่สามารถปฏิบัติตามวิธมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้เลย ฉันที่ไหนก็แล้วแต่อามาจึงขับเน้นคุณของภาษาสดาว่าภาษาสดานั้นมีพระคุณอย่างสูงสุดหาประมาณไม่ได้ให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยต้องขับเน้นในเรื่องการเจริญพุทธคุณในชัดฉันช่วงเบรกกันพักกันเนี่ยแต่เราไม่พักในการที่จะเดินหรือจเจริญศาลานยธรรมเมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตามโนโกรรมต่อหน้ารับหลัง สาธารณบุรีจิต ท, ที่เราคิดสละไดตลอดนะแล้วก็ศีรสมัญญาตาตรวจสอบสีนของตนเองให้หมดจดนะจะให้ละเมิดแล้วก็ทิฏฐิสามัญญาตาก็คือให้รู้กรรมว่าที่เราทําเนี่ยเป็นทั้งกรรมดีกรรมชั่วถ้ากรรมดีเป็นในชั้นของกลุ่มทา น, นกุศลศีนกุศลที่ถูกต้องนะถ้ากรรมชั่วคือภาวะของความทุศีลเกิดขึ้นมาแล้วเอางี้ฝากให้ ไม่ให้ตรึกเดี๋ยวเนี้ยถ้าตอนนี้บาปเกิดกับเราตอนนี้ศีลเกิดไหมขอนี้เนี่ยกามาฉันท้เกิดกำนัดยินดีเพลิดเพลินตอนนี้ศีลเกิดไหมถ้าโทสะเกิดขึ้นเห็นไหมตอนนี้ก็ศีลก็ไม่เกิดทีนั้นมีท้เกิดศีลก็ไม่เกิดวิจิกิจฉาเกิดศีลก็ไม่เกิดอุทจฉะฟุ้งซ่านลาคาญใจเกิดศีลก็ไม่เกิดอวิชชาความ ไม่รู้เกิดศีลก็ไม่เกิดเห็นไหมแม้ในชั้นกุศลศีลยังไม่เกิดแล้วแล้วสมาธิจะไปจะไปทรงสมาธิไว้อย่างไงจะไปทรงปัญญาได้อย่างไรมองเห็นนี่ยังว่านี่นี่จุดขาดท่า น, นกุศลศีลต้องเดินจได้อย่างต่อเนื่องไหมกุศลศีลเป็นนามธรรมาหรือรูปธรรมานามธรรมานามธรรมาต้องเกิดอยู่กับใจใช่ไหมใจเกิดขึ้นศีลต้องเกิดใจเกิดขึ้นกุศลศีลต้องเดินอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยชัด ทั้งนี้จะมองเห็นชัดถ้ามานั่งให้บาปเกิดอย่างนี้แปลว่านี้เสียหายแล้วและกุศลศีลไม่เดินทานไม่ต้องพูดถึงภาวนาจะเอาอะไรมาภาวนาอ้าวเดี๋ยวต่อไปก็พักแต่ไม่ได้พักการเดินกุศลนั้นะไม่ได้พักการเดินกุศลขอโมทนานในช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงทันเย็นก็มาสวดมนต์มาเจรินกุศลกัน